อวิชชาตกไปแล้วในธรรมะทั้งสองนั้นด้วยอาการอย่างนี้อวิชชาก็เกิดร่วมกับโลภะเกิดร่วมกับโทสะนั่นแหละมานะทิฏฐิและวิจิกิจชาเพึ่งเห็นว่าตั้งอยู่ในธรรมะในที่แห่งเดียวกันกับอวิชชานั้นเรียกว่าอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะหรือว่าจริตของสัตว์ทั้งหลายถ้าพูดถึงจริตนี่หมายถึงดูนะว่าจริตของเรากับของท่านเหมือนกันหรือเปล่า บอกคำว่าเจริตได้แก่ปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารอันเป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมินี้ชื่อว่าเจริตของสัตว์ทั้งหลายเจริตได้แก่เจตนากรรมนะนะนะองค์ธรรมบอกอย่งนั้นหลปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขานี่คือเจริตของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่อัตถาพุทธพจน์เลย เจริตได้แก่เจตนากรรมนะคือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขาร น, นั่นแหละคือจริตของตั์ละนั่นแหละเขาไม่ใช่นิสัยแต่ดูดูแล้วก็เหมือนนิสัยใช่ไหมครับเจริตกับอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยคนละอย่างเจริตนี้เป็นชื่อของความประพฤติการที่พระพุทธองคทรงทรงรู้จริตจริต ของเราเนี่ยแสดงว่ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นปุญญาพิสเคยเป็นปุญญาพิสังขารมาหรือเปล่ า, าปุญญาพิสังขารมาหเปล่าหรือว่าเป็นอเนญชามาหรืล่าเข้าใจในเรื่องของเจตนาเป็นอย่างดีก็แสดงว่ารู้เหตุปัจจัยของเจตนานั้น อ, อย่างาด<ม>ีคือถ้าตัวเราจริงๆเนี่ยถ้าแยกเป็นทวารก็ได้แก่กายวาจาและใจทีนี้ในกายวาจาใจเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยให้กายกรรมเป็นตายก็เจตนาอะไรเป็นปัจจัยให้วจีกรรมสิ่งนั้นก็เรียกว่าเจตนา นักคิดต่างๆก็อาศัยเจตนาก็ปุญญาปิสังขารนี่นะฮะหรืออปุญญาปิสังขารหมายความว่าปัจจุบันเหรอครับที่ที่พระองค์รู้เนี่ยรู้จริตเราเนี่ยหมายความว่าพระองค์รู้ในปัจจุบันใช่ไหมครับรู้ปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ว่าทําไมจริตนี้จึงเป็นอย่างนี้ด้วยสมมุติว่าคนนี้ทําไมจึงโกรธขึ้นเนี่ยจริตขนาดนี้โกรธนะทำไมเขาจึงโกรธพระองค์รู้รู้ปัจจัยของสิ่งนั้นด้วยนั่นแหละ ต่อไปว่าอัทยาสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นช่นไหนสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยสามก็ม er ีอัธยาศัยประณีตก็มีสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยสามย่อมควบหาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัทยาศัยสามอัทยาสัยประณีตก็ควบหาสมาคมกับผู้ที่มีอัทยาศัยประณีตแม้ในอดีตการแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายก็มีอัธยาศัยคล้ายๆกันนะเนะ ถ้าอย่างงั้นก็ดูตัวเองก็คือดูคนรอบๆข้างเราที่ครับเจนพรเขาบอกว่าถ้าอย่างสำนวนบางหนังสือบางเล่มเขาบอกว่าถ้าจะดูคนนั้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรก็ดูคนรอบข้างจะรู้นิสัยของคนนั้นได้เลยนั่นแหละเพราะว่าอัธยาศาัยแบบไหนมันก็จะไปหากันนะนะฝูงโคย่อมไปหาโคฝูงมาก็ย่อมไปหามาฝูงภาษาดิบุตรแค่ว่าภาษาริบุตรนะลูกศิษย์ท่านจะเป็นผู้ที่ใฝ่ปัญญาทั้งนั้นเลย ลูกศิษย์พระอนนท์นะจะชอบฟังชอบจดจําก็ไปหาพระอานนท์พระที่ชอบเรื่องตาทิพย์นะจะไปหาพระอนุรุทธะพระที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องริบเรื่องอะไรไปหาพระโมคคัลลานะพระที่ชอบทุดงเคร่งครัดสงบเสงี่ยมพูดน้อยไปหาพระมหากระสับนั่นแหละพระที่ไม่ค่อยพูดเลยไปหาพระเรวตาชอบศึกษาก็ต้องไปหาพระราหุนทีครับอชอบมีใจรักในการศึกษาก็ไปหาพระราหุนอย่างเงี้ยทีนี้พระเหล่านั้นเนี่ยบ่งถึงอัธยาศัย พ้าที่ปาถนาลามมกไปหาใครแน่นอนครับไปหาหลวงพ่อเทวทาตะหลวงพ่อเราเน้นนั่นไงพวกที่มีอัจยาสายในหุ้นก็ไปรวมกับพวกที่ซื้อขายหุ้นใช่ัหมครับเจนพร น, นั่นแหละถ้านินสัยละครนะชนิดเดียวกันก็จะไปดูละครชนิดเดียวกันนั่นไะสังเกตมันเป็นไปตามธาตุก็น้ํายังไปรวมตัวกันเลยเนาะนั่นแหละแพะนสัตว์ทั้งหลาย บางสัตว์นี่ก็มีตรงไหนสัตว์ทั้งหลายมีทุลีคือกิเลสมากเหล่านั้นเป็นชนัะทุลีคือกิเลสได้แก่กิเลสสิบอย่างกิเลสนี่แปลว่า <c oughs> เครื่องเศร้าหมองของอะไรเศร้าหมอง <c oughs> นั่นแหละถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจิตเศร้าหมองเลยนะโลภะทําให้จิตเศร้าหมองเลยเรียกว่ากิเลสโทสะโมหะมานะทิถิวิจิกิจชาทีนะ อุทจจะอะฮีริกะอนโนตตะ ป, ปะกิเลสทั้งสิบเหล่านี้เนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองใช่ไหมกิเลสสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดเสพมากแล้วทําให้เกิดมากแล้วทําให้มากแล้วเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีทุลีคือกิเลสมากคําว่าทุลีนะในที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนพระจุลบรรทกนะละอองไม่เชื่อว่าทุลีแต่กิเลสที่เกิดในจิตนั่นแหละเป็นทุลีนะ่นแหะ อันหมายถึงทุลีก็คือสภาพจิตที่ทําให้กิเลส ท, ที่ทําให้จิตเศร้ามองปัญญาไม่เกิดนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันทําให้สัตว์นั้นอะ่ะน่าจะมองเห็นบุญเห็นบาปนะแต่มองไม่เห็นน่ยเห็นบุญเห็นบาปยังไม่เห็นนะจะไปเห็นอริยสัตว์ได้อย่างไรใช่ไหมจะไปโอ้นี่ทุกข์นี่เห็นให้เกิดทุกข์อย่างเงี้ยอยากเพราะทุลีคือ ในดวงตามันมีมากก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นดำมองเห็นขาวเห็นดีเห็นชั่วเห็นสูงเห็นต่าก็ด้วยอํานาจ บ, บาปอากุศลก็โลภะมันจิตแจ่มใสอ่ะไม่แจ่มนะไม่แจ่มใสนะคือถ้าโดยสํานวนทั่วไปแล้วบอกเหมือนแจ่มใสแต่ถ้าคนที่กุศ ล, ลจิตเกิดจะรู้ทันทีว่าไอ้แจ่มใสแบบนั้นเนี่ยมันทุกข์อยู่ด้วยแต่ต้องมีค่าต่างก่อนนะต้องรู้จากค่าต่างว่า ถ้าสมนัสแบบโลภะกับสมนัสแบบมหากุศลเนี่ยมีความแตกต่างกันมากสมมุติถ้าหากว่าเราไปชมดอกไม้เพลินหนึ่งชั่วโมงโสมนัสเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริงไปเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกับสนธนาธรรมและกุศลจิตเกิดหนึ่งชั่วโมงมีความแตกต่างกันมากมายมหาศาลสมนัสคล้ายๆ ก, กันสนุกเหมือนกันแต่พอชมดอกไม้เสร็จปับ๊บทุกคนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนทันทีเลย เวลานั้นเป็นโมฆะเธอว่าตีเป็นโมฆะในเรื่องกุศลนะว่างจากกุศลตลอดเลยแล้วรู้สึกมาเดือดร้อนใจด้วยแต่ถ้าหากว่าสนธนาธรรมหรือทําอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันรู้สึกโอ้โหชีวิตเรามีสาระมากถ้าเป็นอกุศลนะถ้าเกิดบ่อยๆแล้วทําให้เสียใจในภายหลังถึงขณะนั้นจะเฉยก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าบอกว่าสาัตว์ทั้งหลายเนี่ย มองเห็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นว่ามันไม่มีโทษเหมือนกับน้ำนมที่รีดใหม่ๆ ม, มันยังไม่แปรสภาพไปก็เลยบอก้ดีจริงๆเลยใชย่แต่เมื่อไรที่น้ำนมที่แปรสภาพไปเป็นนมเปรี้ยวนมบูดะนะเสร็จแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้โหทุกจริงๆเลยั้นบาปอากุศลเนี่ยมันทุกขอมาก็ก็นึกถึงนะเออสนุกไปเถอะ แต่พ่อไอความสนุกอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันให้ผลเป็นทุกมาแล้วก็แหมไม่รู้จะทุกยังไงอีกละก็บอกว่าทุกขในโลกเนี่ยจะไม่มีเลยนะถ้าไม่มีบาปอากุศลที่เคยทําไว้แล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดก็มาจากบาปจากอากุศลถ้าบาปอากุศลมันให้ผลแล้วถามว่าไปร้องเรียกหาความยุติธรรมจากใครสมมุททาตมาเนี่ยเดินไปแล้วเผลอไปเหยียบอหอยตายตวัวหรือว่าเหยียบไม่ตายกแค่แบบ เปลือกมันบันเลยนะแค่ไปคมเปลือกมันต้องไปบาดในตัวถามว่าใครจะเอาไปรักษาพยาบาลนะแล้วร้องเรียกหาความยุติธรรมอจากใครเราก็พิจารณาเรื่องกรรมเดินกับปุตตรแล้วอันนั้นก็เดินเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละถามว่าตรงนั้นไปฟ้องใครได้บ้างเอาของมนุษย์ทั่วไปมันดีนะมีกฎหมายรองรับมีอะไรรองรับมีหมอมีอะไรในลักษณะเอผลผลของบุญอะ่ะมนุษย์เป็นผลของบุญจึงมีการรักษากันอย่างดีเลยมีกฎหมายเป็นต้นอุ้ม แต่ถ้ามนุษย์บางประเภทก็ไม่แน่นะแล้วสัตว์เหล่านั้นเนี่ยหมาวิ่งมาชนรถปุ๊บเนี่ยเงี้ยงไปแล้วเนี่ยถามว่าใครไปคอยดูแลเป็นยังไงทุกหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่โรงพยาบาลไหนมีข้าวกินไหมป่วยด้วยทุกข์ด้วยไม่มีใครรับผิดชอบแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าเรามองนะว่าสัตว์เหล่านี้ที่กําลังได้รับความทุกข์มีมากมาย ม, ายมายาหาศาลมดมดบางท้องที่เนี่ยสมมติว่าเขาไปฉีดยาฆ่าฆ่ายาเนี่ย ในอนาบริเวณเป็นยี่สิบสามสิบไร่มดปลวกที่อยู่ในนั้นเนี่ยกี่ล้านตัวถามว่ามีใครไปรับผิดชอบมัง้งก็ไม่มีเมื่อผลของบาปมันให้ผลแล้วมันมันไม่ต้องร้องเรียกหาที่ไหนแม้แต่อย่างเดียวเลยก็บอกว่าไม่น่าสวยก็สวยเดินไปเนี่ยมันก็ตกใส่หัวเฉยยังไงไม่น่าเป็นขนาดนั้นก็เป็นอ่ะมันเป็นไปได้หมดนะถ้าอากุศลมันให้ผลถ้าเราไปอยู่ในภพ นี่ขนาดเป็นมนุษย์ยังทุกขนาดนี้เลยถ้าไปอยู่ในนรกเป็นต้นถามว่าไปร้องเรียกหาความยุติธรรมจากใครประท้วงก็ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนั่นแหละเพราะมนุษย์นั้นมาจากผลของบุญแต่ก็รักษาบุญเอาไว้ให้ดีเนะ้อยังไงยังไงก็มาเป็นมนุษย์คืนนี้สือว่าเสมอตัวแต่ถ้าตกต่ำกันนี้เนี่ยขาดทุนยับเยะนะินในค้าขายเนี่ยลงทุนด้วยชีวิตเลยนะจากเป็นมนุษย์ตกหวบไปเป็นอย่างอื่นเลยอนะ่ะเป็นนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างเงี้ย เขาบอกว่าม่เหสีของของท้าสาก่าใช่ไหมนะอดีตนางสุชาดาโหรักการแต่งตัวมากเกิดเป็นนกกระยางเลยเนี่ยไม่ต้องแต่งแต่งั้งเดียวเรียบร้อยเลยต่อไปนะว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นไนอินทรีย์มีกี่อย่างห้าอย่างนะอินทรีย์ห้าคือสัตทินซีอินทรีย์คือสัทธาวิริยินรีอินทรีย์คือวิริยะสตินซี อินทรีคือสติสมาธิอินทรียคือสมาธิปัญญอินทรีอินทรีคือปัญญาอินทรีห้าเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดไม่ได้เสรให้มากแล้วไม่ได้อบรมแล้วไม่ได้ทําให้มากแล้วไม่ได้เพิ่มพูนแล้วสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะอินทนระีย์อ่อนไม่ใช่ว่าโโหตาไม่มีกําลังมองเห็นไม่ชัดนะอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมนั่นเองวันนี้คิดถึงคุณของพระพุทธ เ, เจ้ากี่ครั้งละ จะสืบดูว่าอินทรีย์เนี่ยแก่หรือ on. อ่อนนะ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหรือสองครั้งอนึกทําไมบอกว่านึกในลักษณะชื่นโอ้โหพระคุณของพระองค์อย่างนั้นอย่างไงถ้าคิดอย่างนี้น้อยเรียกว่าอินทรีย์อ่อนต่อไปวิรีอินทรีย์ถามว่าปารลที่จะให้กุศ ล, ลจิตเกิดเห็นโทษของอกุศลปรลให้ทำกุศลมากไหมถ้าความคิดแบบนี้ไม่เกิดเลยนะคนนั้นเนี่ยขี้เกียจคนเกียจคร้าน เพราะไม่มีวิริยนิสีปารบกายเวทนาจิตธรรมมากไหมถ้าปารลบน้อยเรียกสติอ่อนถ้าสมาธิอ่ะปารลบถึงสมถานิมิตเช่นเมตตาบ่อยไหมนั่นแหละถ้าปารลบน้อยเรียกว่าสมาธิอ่อนปารลบถึงรูปนามขันห้า ม, มากไหมปารบปริญญาสามมากไหมถ้าปารลบน้อยเรียกปัญญาอ่อนปัญญาไม่แก่กล้า ว่าเรามีอินทรีย์มากไหมหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งไอ้แค่นโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันนะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองมีวิชามีจารณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่ควรสมควรฝึกพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้จำแนกแจกจางพระธรรมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายดีจริงๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ย คิดวันละสามรอบไปยังไรนะแล้วก็คนนั้นก็พอมีอินทรีย์คือศรัทธาทีนี้วิรยิยะวิริยะก็คือผู้ใดที่เพียรกําจัดอกุศลวิตกบ่อยๆคนนั้นชื่อว่าคนมีความเพียรใช่ไหมถ้าของโลภะมันเกิดนี่มาแล้วนะฉันยังไม่ปล่อยให้แกเกิดอย่างนี้อีกนานถ้าปารลลักษณะนี้บ่อยๆคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรหรือเช่นปารลจะเจริญกุศลอะไรได้บ้างปารลลักษณะนี้บ่อยๆคนนั้นชื่อว่าเป็นคนมีความเพียร ใช่ไหมถ้ากลับจากนี้ไปจนถึงกว่าจะหลับเนี่ยสามารถเจริญกุศลข้อไหนได้อีกบ้างนะถามตัวเองลักษณะเพื่อที่จะหากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทําคนนี้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความเพียรเออไหนๆ เ, ออเราจะนั่งรถไปจนถึงบ้านจะพูดอะไรให้มันเป็นกุศลบ้างกว่าจะถึงบ้านเนี่ยใช่ไหมหาสักข้อหนึ่งก็ยังดีอันนั้นแหละคนนั้นชื่อว่ามีความเพียรที่จะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแตนะถ้าเราปลาร o บ, บ่อยก็คือว่าขยันเยอะแล้วนะ ขยันในที่นี้แปลว่าไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนนั่งโหดูทีวีทั้งคืนเลยไม่ใช่ยังงั้นยนั้นหนักกระเป๋าอีกนั้นน่ะเขาบอกว่าตื่นตื่นแล้วเป็นอกุศลหลับยังจะเลวน้อยกว่าแต่พระองค์กล่าวว่าชีวิตของคนหลับเป็นชีวิตที่เป็นหมันถ้าหากว่าปารบถึงเรื่องอริยสัจหรือเรื่องกรรมน้อยคนนั้นชื่อว่ามีอินทรีย์คือปัญญานี่อ่อนมากเลยนะคือปัญญาเนี่ยน้อยเต็มทีเลย เพราะว่าปัญญาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อยที่สุดก็คือปัญญาที่ปาราถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมที่จริงรู้เรื่องกรรมหรือเรื่องปัจจัยนั่นเองกรรมก็คือหนึ่งในจำนวนปัจจัยยี่สิบสี่ถ้าคนเข้าใจเรื่องกรรมจริงๆแล้วจะไม่เข้าใจในปัจจัยอื่นๆมีไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมอื่นจะต้องรู้จักปัจจัยอื่นๆด้วยใช่ไหมปัจจัยทั้งหมดมีกี่ชาติ เก้ชาติถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องกรรมดีจะหนึ่งจะต้องรู้จักปกตูปานิสยชาติด้วยเพราะกรรมจะให้ผลเพราะอาศัยอะไรเป็นต้นเพราะอาศัยพวกกาลคติอุปธิและประโยชค่าเป็นต้นพวกนั้นบางอย่างก็เป็นปกตูให้วิบากให้ผลนั้นจะต้องรู้จักปกตูปานิสยชาติอีกตัวหนึ่งคนที่รู้จักปกตูดีคนนั้นจะต้องรู้จักสหชาติชาติดี คนที่รู้จักสหาชาติชาติดีคนนั้นจะต้องรู้จักอารัมมณชาตด้วยแหลมจะสัมพันธ์กันหมดเลยต่อไปนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็คือสัตว์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซ่องเสพมากอ บ, บรมมากทําให้มากเพิ่มพูนมากสัตว์เหล่านี้ชื่อว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามันยังไล่ไปจดในเท่าไไปสองนะ่ะวิริยนีนี่ผมหาอยู่นานนะเออเจอมันยังไม่เคยเจอนะเอาวิริยนะีน่ะแล้วต่อไปแล้วครับ สตินซีสตินรียเนี่ยครับทีนี้ในเรื่องของสมาธินั้นคนเหล่านั้นจะต้องอบรมถ้าพวกเราก็นิมิตของสมาธิเช่นสุ ข, ขิตสัตว์ก็เป็นนิมิตของสมาธิเคยคิดให้คนอื่นมีความสุขบ้างไหมขอให้มีความสุขเนี่อย่างเงี้ยหวังดีจริงๆนะไม่ใช่สักแต่ว่านนะหวังดีจริงๆเอออยากให้เขามีความสุขจริงๆเลยอยากให้มีความเจริญทุกคนไม่น่าตําหนิเลยนะ เขามีความดีอยู่ในตัวของเขาลักษณะนี้เป็นเมตานิมิตเป็นนิมิตของสมาธิอู้ทุกคนในโลกนี้น่าสงสารน่าเห็นใจทุกคนเกิดมาทุกทั้งนั้นเลยไม่ทุกกายก็ทุกใจไม่ทุกใจก็ทุกอย่างอื่นอ่ะมีความทุกข์จนได้นั่นแหละทุกคนน่าเห็นใจไปหมดแหละแม้แต่เราด้วยทุกคนเนี่ยน่าสงสารพอๆกับตัวเองนั่นแหละอันนี้เาเรียกว่านิมิตของ ของกรุณานิมิตของกรุณาของสมาธินะกรุณาก็ห ย, ยัดในประเภทของสมาธิอย่างนี้พอหาได้ครับพอย่างนี้พอหาเจอนะแสดงว่าเขาขยันนะั่นนะปัญญาครับคนนี้ถ้าปัญญาก็ปารัถึงปัญญานะต้องเรื่องของอริยสัจเลยง่ายงเพราะว่าในทุกขสั์บางอย่างเป็นเหตุเป็นกรรมทุกขสั์บางอย่างเป็นผลของกรรมใช่ไหม ทุกขศัสต์ที่เป็นกุศลทุกขศาสตร์ที่เป็นอกุศลก็เป็นอยู่ในฝักฝ่ายของเหตุนั่นแหละเรื่องของปัจจัยนั่นแหละตัณหาที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในเรื่องกรรมหรืออาศัยผลของกรรมเกิดนั้นะ่ะเป็นฝักฝ่ายแห่งเหตุหรืออยู่ในฝักฝ่ายของสมุทัยศาสตร์อันเพ่งในเรื่องนี้มากๆก็เรียกว่าเป็นอาหารของปัญญานั่นแหละ หรืออาจจะปลารบถึงโหวัตตสงสารที่ยาวไกลนะมีเบื้องต้นอันหาที่สุดไม่ได้มีเบื้องปลายอันตามบุคคลตามรู้ไม่ได้แล้วถามว่าเมื่อไหร่จะพ้นสักทีหนึ่งแล้วก็ปลารบในเรื่องของขันห้ามากๆหรือว่าสายใจในอายตนะมากๆอนะนะโอ้อยู่กับบ้านร้างทุกวันเลยถูกปล้นทุกคืนเลยเนี่ยเคยคิดไหมโอ้ยอยู่กับตาเนี่ยมบ้านร้างอล้เนี่ยสีเข้ามาปล้นอีกแล้วหูกับร่าง อารมณ์เข้ามาก็ถูกปล้นไปอีกแล้วจะโมก็ร่างลิ้นก็ร่างกายก็ร่างตัวใจก็ร่างแต่ทำอารมณ์เข้ามาก็ปล้นใจไปหมดอหละของร่างๆอ่ะมีโทษร้างไม่พอเนะยโจรมาปล้นอีกอสิ่งเหล่านี้มีโทษจริงๆเลยถ้าปารบลักษณะนี้มันก็เป็นอาหารของปัญญา อ่ะถ้าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นั้นเรียกว่าเป็นความเข้าใจที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ก็ปรารบว่าเอ๊ะวันนี้เราฟังทำกี่ชั่วโมงวันหนึ่งทุกคนมียีิบสี่ชั่วโมงหมดเลยเราอยู่กับธรรมะกี่ชั่วโมงเอาอยู่กับสภาพจิตที่เป็นบญกี่ชั่วโมงเอาเมื่อก่อนเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนนะเออเราเอาชีวิตของเรานะี่ยมาคูณกันดูที่ว่าเราถ้าเรามีอายุ50ปีตาเนี่ยเราจะมีชีวิตกี่วัน ในหนึ่งวันเนี่ยมียีิบสี่ชั่วโมงแล้วเราเป็นกุศลจิตกี่ชั่วโมงแล้วเป็นอกุศลจิตกี่ชั่วโมงถ้าหากว่าเออวันหนึ่งสามารถกุศลจิตเกิดได้สามชั่วโมงเดือนหนึ่งเราก็เกิดกุศลจิตได้ประมาณเก้าสิบชั่วโมงแล้วอกุศที่เหลือมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอกุศลนั้นก็หาปัจจัยที่จะทําให้เจริญกุศลแต่ละวันแต่ละวันไปทีนี้ต่อไปนะอีกหน่อย ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอาการชั่วสัตว์ที่มีอาการชั่วเป็นยังไงก็คือมีอาสยะชั่วแปลว่ามีทิฏฐิที่ชั่วนั่นเองมีอนุสัยชั่วอนุสัยชั่วหมดแหละมีจริญชั่วจริญชั่วก็คือมากไปด้วยอภปัญญาที่สังขารอันนี้เขาเรียกว่าความประพฤติชั่วนะเจริตก็คือความประพฤตินั่นเองความประพฤติที่เป็นไปกับอคติลเจตนาทั้งสิดวงนั่นแหละเรียกว่าเจริญชั่ว มีอัธยาศัยชั่วเป็นยังไงอัธยาศัยชั่วก็คืออัธยาศัยที่ยินดีในวัตตะอัธยาศัยที่ยินดีในสกายะคือรูปนามขันห้าลักษณะนี้เขาเรียกว่าอัธยาศัยชั่วถ้าอัธยาศัยดีก็คือตรงกันข้ามมีทุลีคือกิเลสมากโลภะโทสะเป็นต้นหนานแน่นคือมีทุลีคือกิเลสมากมีอินทรีย์อ่อนก็คือศรัทธาเป็นต้นอ่อนสัตว์เหล่านี้เชื่อว่ามีอาการชั่ว ผู้รวมรวมว่าไม่ดีสัตว์เหล่านั้นผู้มีอาการดีเหล่านั้นเป็นชนสัตว์เหล่านั้นใดมีอาสยะอาสยะก็คือกุศล จ, จิตนั่นแหละพวกปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขาร น, น, น, นี้เรียกว่ามีอาศัยะดีมีจริตดีก็คือมีกุศล จ, จิตมากอ่ะขอโทษนะอาศัยะดีก็คือมีปัญญามากถ้าจริตดีก็เป็นปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขาร มีอัธยาศัยดีก็คืออัธยาศัยที่จะออกจากวัดตักนะอัธยาศัยที่จะเห็นโทษของกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัดมีทุลีคือกิเลน้อยมีเอนซีแก่กล้าสัตว์เหล่านี้ชื่อว่ามีอาการดีสัตว์ทั้งหลายที่แนะนำให้รู้ได้ยากเหล่านั้นเป็นไนสัตว์เหล่านั้นใดมีอาการชั่วสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าแนะนำให้รู้ยากานะไอ้ที่ว่ามีอาัยะชั่วมี อนุใส่ใหม่ดีเจริตก่อใหม่ดีอัธยาศัยใหม่ดีกิเลสมากอย่างนีชื่อว่าแนะนํายากนะใครว่าแนะนําให้รู้ยากส่วนสัตว์เหลา่าใดมีอาการดีสัตว์เหล่านั้น แ, แลชื่อว่าแนะนําให้รู้ง่ายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ควรแก่การตรัสรู้เหล่านั้นเป็นฉไหนะสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกิเลสประกอบด้วยเครื่องกางกั้นคือวิบาก เป็นพูนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะไม่มีปัญญาไม่ควรเพื่อจะอยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าไม่ควรแก่การตรัสรู้ใช่ไหมคนที่ไม่ควรแก่การตรัสรู้เลยอันดับแรกเอาเรื่องของกรรมมาจับ ก, กรรมในที่นี้ได้แก่อนันตริยกรรมหา้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาระอรหันต์ทำพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห้อด้วยอํานาจ จิตคิดประทุสลายหรือว่าทําสังกเภททําสงให้แตกแยกกันหรือว่ามีกิเลสเป็นเครื่องกลางกันกิเลสก็คือประเภทนิยตมิจฉาทิฐิปฏิเสธผลบุญผลบาปปฏิเสธกรรมและผลของกรรมไปต้นเรียกว่ามีกิเลสเป็นเครื่องกลางกันมีวิบากเป็นเครื่องกลากันก็คือปฏิสนธิด้วยอหติตุกจิตนะผู้ที่เป็นอเหตุกจิตนั้นปฏิสนธิจิตชนิดนี้เป็นอาภัสัตเป็นสัตว์ที่ไม่ควร ตรัสรู้เป็นอาภัพอะคนอาภัพอะนะแล้วก็ผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรือโทเหตุมีเหตสองอย่างเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่ควรกับการตรัสรู้เป็นสัตว์ที่ไม่มีศรัทธาเลยก็คือไม่มีศรัทธาในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการทำกุศลเนี่ยเรียกว่าไม่มีฉันทะบอกไม่ยินดีเลยในกุศลเนี่ย ทำกุศลก็ไม่เต็มใจทํำสักทีเลยนะถ้าเจริญเมตตาก็ไม่มีความเต็มใจที่จะมีเมตตาอะไรเลยลักษณะนี้เรียกว่าไม่มีฉันทะมีปัญญาสามมีปัญญาสามเนี่ยที่จริงปัญญาไม่มีสามหรอกแต่ว่าเป็นชื่อของการไม่มีปัญญานั่นแหละคําว่ามีปัญญาสามแปลว่าหนึ่งไม่มีพวังขปัญญาเกิดมาไม่มีปฏิภวังขจิตไม่มีปัญญาเลยอีกในหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีอุปนิสัยต่อโลกุตระคุณเรียกว่ามีปัญญาสาม ไม่มีอุปนิสัยที่จะดำให้ได้เกิดมรรคผลเลยเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่ควรแก่การตรัสรู้ส่วนสัตว์ที่ควรแก่การตรัสรู้ก็คือสัตว์ผู้ไม่มีไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางก้านคือกรรมไม่ได้ทำอนันตริยกรรม5้ามาไม่ประกอบด้วยเครื่องกลางก้านคือกิเลสคือไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยเครื่องกางก้านคือวิบาก ค, คือปฏิสนธิด้วยไตรเหต เป็นผู้มีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีฉันทะในการทํากุศลมีปัญญาก็คือมีติเหตุกะปัญญามาตั้งกับเกิดแล้วก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในโลกุตระควรที่จะยังลงสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นแหละแปลว่าเป็นผู้ที่ควรก้าวลงสู่มากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอ่า ปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเรียกว่าอินเริยะปโรปริยติยานยานที่ยังรู้ความหย่อนความยิ่งความเรื่องจริตอัธยาศัยนิสัยของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองนั่นแหละนี่ก็เป็นยานข้อหนึ่งในทศพลยานยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่ายานเหล่านี้ไม่สาธารณากับบุคคลอื่นไม่สาธารณากับสาวกเป็นต้นมีเฉพาะพระพุทธเจ้า